ที่เริ่มฝึกหัดภาวนาออกรุณาปฏิบัติครือดำเนินตามที่ท่านแนะนำในหนังสือเียวเรื่องภาวนาเั็นอุปสรระสำคัญของศาสนาแท้คือภาวนาเป็นสำคัญมาก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 และมีใจเท่านั้นเป็นผู้เป็นคู่ควรจะทําคือสามารถที่จะรับธรรมไว้ได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมที่สุดไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจถี่ใจมันปลอมก็เพราะว่าสิ่งจอมปลอมมันแทรกซึมอยู่ภายใ น, ในใจิตใจจงกลายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาครอบความจิต ท, ทั้งหมดหมดทั้งดวงนั้นกลายเป็นของตลอมประจามกาันไปหมดจึงทำให้มนุษย์เราเดือดร้อนวุ่นวาย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 ให้เห็นให้เจอความสุขบ้างไม่มากก็น้อยทางทางด้านจิตใจยากก็ทนบ้างข้องานไม่ว่างานไหนต้องฝืนความยุ่งยากต้องฝืนความลาบากต้องฝืนทุกบ้างเป็นธรรมาดาเมื่อพอฝืนได้นอกจากมรรสุพิสัยฝืนไม่ได้ก็จําเป็นด้วยกันไม่ว่างานนอกงานไหนางานนอกได้แต่การงานางต่างๆงานในได้แต่งานากิจกรภาวนาต้องมีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาด้วยกันพระพุทธเจ้า ก็เป็นองค์ข้าพญาณสำคัญแล้วในเรื่องความทุกข์ความทรามานเ ก, กี่ยวกับเรื่องการบําเพ็ญพระองค์ก่อนจะได้จัดสรูปรากฏว่าสลบไปไหถึงสามหนตงสังด้วยคว่าสลบก็คือว่าตายแล้วฟื้นถ้าไม่ฟื้นก็ไปเลยจะทุกข์ขนาดไหนถึงจะต้องถึงขั้นสลบทําไม่ทุกข์มากจะสลบได้อย่างไงคนเราต้องถึงขนาดสลบได้เรียกว่ารอดตายอืมพูดยังไงเนี่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 ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเวลาก็คืออนิจจังของร่างกายนี่เองอะไรแปรสภาพผิดปกติมันก็กระเทืนจิตใจเราเรียกว่าไม่สบายเน่ท่านมันแสดงมากมันไม่สบายทุกขังหมายคำว่าอะไรทุกข์มันก็ต้องกระเทือนในสร้างการในจิตใจของเรานี่ยนิรัตตามีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้บ้างเรากําหนดดูตามอวัยวะต่างๆจะเป็นส่วนใดก็ต่างมันเป็นตามความจริงของมันทั้งนั้นรวมตัว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 สิ่งเ น, น, นี้ความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาได้เป็นลําดับลําดั บ, ดบนี่อนถอนเข้ามาจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตกําหนดเข้าไปจนกรทั่งถึงจิตเพื่อของกิเลรตนตนาสมมารวมตัวอยู่ภายในจิตดวงเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นตัดทั้งหมดแล้วไปยึดถือในส่วนใดอาการใดปัญญาสอดแทรกเข้าไปตัดขาดไปโดยลําดับลําดับพิเรนไม่มีที่อยู่วิ่งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในจิต